ประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบันทึกโดยหลวงตาทองคำเจ้ารุวันโนคำปรารบเมื่อพุทธศักราช 2,541 ข้าพเจ้าได้จำพรนษาอยู่ที่วัดปทุมรังสีอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นวัดที่ท่านเจ้าคุณมหาชัยทวีคุตตาจิตโตซึ่งข้าพเจ้ารักและเคารพไปสร้างไว้ พอออกพรรษาได้มาพักกับท่านที่วัดประทุมวนารามกรุงเทพมหานครบางโอกาสได้นั่งสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณท่านได้กล่าวถึงท่านพระอาจารย์มั่นในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะบ้างเกี่ยวกับบุคคลโบราณสถานโบราณวัตถุบ้างท่านเจ้าคุณสนใจเป็นพิเศษได้ขอให้ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาข้าพเจ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับวัตถุโบราณสถานโบราณเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นพิเศษ ได้ฟังแล้วจะไม่ลืมหลายปีก็ไม่ลืมพอไปฟังเทศท่านพระอาจารย์มั่นจึงถือเป็นกรณีพิเศษบางเรื่องท่านจะเล่าขณะที่ข้าพเจ้าได้ถวายการนวดหลังจากท่านเทศเสร็จแล้วนอกจากข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็มีท่านอาจารย์วิริยังสิรินทโรท่านอาจารย์วันอุตตโมท่านอาจารย์ล่าเขมมะปโตท่านก็พูดแต่ไม่มากแต่สองรูปที่ท่านพูดให้ฟังมาก คือข้าพเจ้ากับท่านอาจารย์วิริยังศิรินทโรส่วนท่านอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนนั้นท่านเป็นเจ้าปัญญาท่านพระอาจารย์ไม่ได้พูดโดยตรงจะพูดโดยอ้อมสลับมากับพระธรรมเทศนาด้วยสติปัญญาของท่านสูงส่งท่านก็เลยนำมาเขียนแต่บางอย่างก็ผิดกันกับข้าพเจ้าบางอย่างก็ถูกกันโดยเฉพาะเนื้อหาสาระสาคัญ จะผิดกันบ้างก็คงเป็นส่วนเปลีกย่อยบางเรื่องก็เกิดจากอัตถู ป, ปฏิเหตุเช่นเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นบนรรพบุรุษของคนไทยจากสาเหตุกระดาษหอ่อทู่ที่บริษัทผู้ผลิตเอารูปพระพุทธเจ้ามาทําเป็นเครื่องหมายการค้าข้าพเจ้าได้เก็บนําไปถวายให้ท่านดูท่านเลยเทศให้ฟังขณะนั้นเพื่อนภิกษุยังไม่ขึ้นไปกุฏิท่าน ซึ่งเป็นการกลับตลลับเพราะเรื่องนี้ไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์และคำภีในพระพุทธศาสนาทำให้ผู้ฟังงงงวยสับสนขึ้นเมื่อเรื่องมีอย่างนี้ขอให้อยู่ในดุลและพินิจจงสื่อเอาแต่ผลประโยชน์เกือ้อกูลเถิดบางเรื่องก็ได้ฟังจากพระธรรมเทศนาบ้างฟังจากสิทธิรุ่นก่อนๆเช่นท่านพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์มณู และพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตพระอาจารย์พรมจิราปุญโญบ้างเป็นต้นจดจำมาปฏิปต่อกันจนมาเป็นหนังสือนี้โดยไม่ได้คาดคะเนหรือเดาสุมเพิ่มเติมมีสิ่งบกพร่องคือไม่ละเอียดถี่ถ้วนบางส่วนขาดหายไปเช่นคำอุปมาอุปไมยอันไพเ ร, ราะพร้อพริ้งที่ท่านยกมาเปรียบเลยแต่ก็คงจะหาเนื้อหาสาระได้บ้าง สำหรับเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติของผู้ใครในคุณธรรมอันพิเศษในพระพุทธศาสนานี้ขอความพาสุขจงมีแด่ผู้อ่านทุกท่านเทินหลงชื่อหลวงตาทองคำจารุวันโน